ก่อนที่จะมาทานศีลหลวงพ่อไปณนสถานที่ต่างๆก่อนที่จะพานาสมาทานศีลหลวงพ่อจะเป็นผู้อธิบายเรื่องของศีลคุณค่าของศีลประโยชน์ของศีลที่พวกเราจะรับเสียก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับหรือเราจะรับรู้เรื่องต่างๆหรือมีศีลธรรมเป็นต้นก็ต้อง โง่อยากคุณค่าใช่ก่อนว่าคุณค่าของศินมีประโยชน์อย่างไรด้วยค่อยนั้นหลงพ่อไปนัตถานที่ต่างๆนี่มีสาธารณพิธีอย่างวันนี้แหละเมื่อคณะทายาติโยมาราธนาศินประธานสูนนสงอย่างหุวงพ่อก็ให้สินทันทีโดยที่ไม่ได้แนะนําหรือบอกกล่าวเรื่องของศินให้แก่คณะัทายาติโยม ได้ฟังเพราะว่าพระสงฆ์ที่ท่านเป็นประธานสงฆ์ท่านบอกผมคิดว่าค่านน่าจะทายาโยมลูกหลานก็คงจะรู้สีนห้ามีห้าข้อเท่านั้นเองจะท่านก็เลยไม่อธิบายแต่หลวงพ่อมาชุกคิดว่าถ้าหากว่าไม่มีใครอธิบายเรื่องสีนเลยลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังไม่ได้ศึกษาธรรมะพอเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียน ของมัธยมปริญญาตรีโรเอกจบไปเรื่องศิลธรรมก็ไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ศึกษาไปนั้นลูกหลานคงจะห่างเหินจากธรรมะไปเรื่อยเพราะไม่รู้จักคุณค่าเหมือนกับเพชรนินกินดาถึงจะมีคุณค่าขนาดไหนแต่ว่าไม่มีใครแนะนำไม่มีใครบอกกล่าวไม่มีใครมันจีรนายให้ดูเพชรมินกินดาถึงจะมีคุณค่าก็ ไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้ไม่รู้จักคุณค่าเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะ ก, กล่าวหรือว่าแนะนำชนะสาไทายาตโยมลูกหลานให้รู้จักคุณค่าของสินอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำกล่าวว่านะโมตัสสะนะโมตัสสะพระขว่าตัวอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพียงนะโมเท่านี้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกนชนก็ยังแปลไม่ได้หรือบอาความหมายนั้น หมายความว่าอย่างไรก็ออยังยังไม่ชัดเจนอีกเน่เพราะนั้นนะโมตัสสะพระคุวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้องแด่พระผู้บีพระพาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือสิคือนะโมแปลกล่าวถึงสามครั้งเน่คือนอกน้อมพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนา เป็นต้นความคิดที่จะนำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่คือออกมาจากพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกนชนก่อนที่จะรับคุณงามความดีเรืองรับจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราก็ต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมมครูของพวกเราก่อนจากนั้นก็พุทธท า, ทางสรรมังสังขังสรรงฉัตานิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งดูติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังตาติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังสรณังขจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้คือเรากล่าวพุทธทางธรรมังสังขังความหมายก็คือว่าพุทธทางสระนังขจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็น ราาเป็นที่ขึ้นคือเราได้พิจรารณาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นเสร็จในพระธรรมคำสอนนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเช็คได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรในธรรมคำสอนนี้เพราะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นคือนอบน้อมพระธรรมยึดพระธรรมเป็นสาระเป็นที่พึื่อวฟู ทำมังสรรารนังัจามีข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรราระเป็นที่พึ่งเราวาัพิจารณาดูแล้วว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นน้อยไปหาใหญ่คือเลขไปหาใหญ่คือ8ป0 0 0ี่พันพระธรรมขันารนั้นถึงจะนําหยิบยกมาข้อใดมามาฟังหรือมาพิจารณาไตรตรอง ก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจริงยึดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งเราจะนํามาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงกายวยายใจใจของเราสรัางฆังสราระคชามิพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพ่มาแนะนําสั่งสอนพวกเราถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมคาสอนของพระพุทเจ้ามาบอกกล่าวมาเผยแพ่ ให้แก่พวกเราพวกเราจะรู้ พ, พระธรรมคำสอนได้อย่างไรพราะฉารนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นาชนะเป็นที่พื่งจากนั้นก็กล่าวเป็นศีลเป็นข้อข้อปานาติปาตาเว ร, รมณีสิขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าข้ า, าพเจ้าจะไม่ฆ่าเพราะเหตุไ ร, ระพ้าพเจ้าว่าอย่ากฆ่ากันถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันมากมาย ถ้าคิดฆ่ากันแล้วพวกเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นถุกไม่ได้แต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ในความมีเมตตาต่อกันมีน้ำใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันพวกเราจะร่มเย็นเป็นถุกไปณสถานที่ใดไม่มีพิษมีภัยแต่ถ้าพวกเรามีแต่คิดจะฆ่ากักนพวกเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นถุกได้อย่างไรไปที่ไหนก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นณสถานที่นั้น นี่คือสิ่งของทุกผู้ใดเจ้าถ้าทุกคนเคารพในศิ่แล้วโลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุดอันนี้คือสิ่ข้อที่หนึ่งสิ่ข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณียาไปขโมยของคนอื่นเา้าของเขาของเราเราก็รักกระหวนหัวแหนของเราถ้าของเขาก็เช่นเดียวกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันคําว่าขาโมยทานี้นะ่ะ แหมมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขโมยข้อขโมยแม่ขโมยลูกหลานทุกข้อมาเรียกค่าไทยการวัดแล้วจะเป็นขโมยทางนั้นทําให้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นในชุมชนสังคมในยุคนั้นๆถ้ามีขโมยมากๆอันนี้คือสี่ข้อที่สองข้อที่สามกาเมศวิชัยยาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครตะกูลของเขาเขาก็รักถึงโหน่งมงเหนถ้าเราไปล่วงรับเขาเขาก็เสียใจ เพรานั้นพวกวได้เจ้าไม่เคารพสิทศีกึงกันละกันเพราะต่างคนก็ต่างมีถ้าหากว่าพวกเราไม่เคารพเค้าเคารพศีกันแล้วโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนเพราะไม่มีไม่มีศีลธรรมคุ้มครองในในจุดดีอันนี้คือสี่ข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปดื่มสุราและอย่าไปโกหกพกลมคนอื่นเา้าถ้าเราไปโกหกเขาไปต้มถูหลอกลวงเา้า เขาก็เสียหายเขาเสียความรู้สึกเพราะว่าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงโกโหกเขาเพราะว่าโกหกคํานี้มีมากมายอย่างพวกเราท่านท่างหลายคนบางคนก็เคยเจอคนโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงมาแล้วจะรู้ทิศสงว่าการถูกต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกนั้นหนักหนาสาหัสขนาดไหนเพราะคาปากคาพูดของคนถ้าเราไปโกหกเขาถ้าเขามาโกหกเรา เราจะเสียใจอย่างไรถ้าเราไปโกหกเขาเขาก็คงจะเสียใจเพราะฉะนั้นคำว่าโกหกโกหกคานี้พระพุทธเจ้าตรัสไหมท่านบอกไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพวกเรานํามาวิเคราะห์ดที่พระพุทธเจ้าพูดมา 2,000 ันกว่าปีแล้วถูกไหมว่าคนที่ชอบโกหกนั้นนะจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มี เพราะนั้นคําว่าโกหกคำนี้จึงไม่เป็นสิริมงคลถ้าเราโกหกเขาเขาโกหกเราไม่เป็นคนดีทางนั้นเพราะฉะนั้นสินของพระพุทธเจ้าถ้าจะนํามาวิเคราะห์นำมาพิจ า, า, ารณาไตรตรองเหตุผลแล้วคือเขาเราเราเขาเขาเร า, เ, าเราต้องการความสุขเราอย่าไปทำอย่าไปทําละเมิดล่วงเกินสินห้าให้แก่คนอื่นเขาถ้าเราต้องการความสุข เพระนั้นคนอื่นเขาก็ให้เคารพต่างคนต่างเคารพมีกลิ่นห้าด้วยกันแล้วโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือสี่ข้อที่สีมุสาข้อที่ห้าสุร า, ม, รามีระยะมัชฌาประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าคนเราดื่มสุราเมลัยผู้สุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์ แ, แล้วก็ของมึนเมาคือคันชา ย, ยาสิ่นเฮโรอีนโคเคนยาบา้ายามะ ล้วนแล้วแต่เป็นของมืนเมาถราเซพเข้าไปแล้วหรือจะทาดื่มเข้าไปแล้วทำให้สมองปัน่นป่วนทำให้ขาดสติปนขาดสติมันไม่เป็นผลดีสาหรับชุมชนสังคมของพวกเราถ้าว่าผู้ใดก็ตามขาดสติมากๆแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากยิ่งเขามีจัดราอาวุธอยู่ในมือเขาใครจะเข้าไปใกล้เขาได้เพราะเขาขาดสติเพราะเขาเมา ก็รู้อยู่แล้วว่าเดื่มจูลาเข้าไปก็ต้องเมาทําไมดื่มทําไมเพราะเหตุไรจังเดิมก็รู้อยู่แล้วดื่มก็ไปแล้วมันขาดสติเพราะนั้นคนขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วในทุกอย่างสิ่ข้อที่1น่ฆ่าใครก็ได้ข้อที่2องขโมยของใครก็ได้ข้อที่สาั้นลาภและล่วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ข้อที่สี่ลูกสาโกหกใครก็ได้เพราะเหตุไรเพราะขาดสติ เพราะนั้นสิ่งของพระพุทธเจ้าท่านพวกเราพุทธศาส น, นิกชนนำมาวิเคราะห์นำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วล้วนแล้วจะมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันคือสิ่งคุ้มครองเหมือนกับกฎหมายค้มครอ ง, องอสิ่ลกับกฎหมายคือกฎระเบียบคืออันเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาเรื่องศีลธรรมของพระพุธทธเจ้าถ้าพวกเรายกเชิดชูบูชาศีลธรรม ศีลห้าของพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะร่วมเย็นเป็นศุกท้วนหน้ากันเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่าของศีลของพุทธิย้าแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้ภานําสมาทานศีลนะโมตัสสะภวตุระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนาเนปันจะเสขาปะทาเนสีเลนะสุทติงยันติสีเลนโะโคกัสัมปทา สีเลนานิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสธาเยสัติสิสมสาศัยอายะระตตตราติาเอัมะันติสัมะอะต่อนี้ไปตั้งใจ ฝว่งธรรมหรือฝั่งเทพอันดับแรกหลวงพ่อจะขอร้องและขอแนะนําอย่างที่คุณอดิศักด์แต่สุวรรณเจ๋งท่านได้พูดก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นธรรมาร ถ, ถ้างของผู้ใดมีกล้องถ่ายรูปที่มีแฟลชจะขอให้งดเว้นไวดไว้ก่อนหรือใครมีโทรศัพท์อยู่ใกล้เสียงดังจะขอให้งดปิดเครื่องไว้ก่อนหรือทาว่า อยากจะพูดโทรศัพท์ขอให้ออกไปพูด้างนอกอย่าไปมาพูดแทนอย่าไปพูดแข่แลงล้มข้อกําลังขนะเทศเพราะว่าผู้ที่จะฟังเทศมีมากมายเป็นการกวนคนอื่นเ้าถ้าในหลักของพุทธศาสนาท่านว่ากาลเทศะบุคคลอัตถันจุตาอัตถันจุตตาปริสันจุตาภุครักปรณปารันจุตตาเนี่ยมีมีมากมายในธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่า การรูกตาคือรู้จักการการเช่นนี้เรามาเพื่อฟังเรามาเพื่อเคารพศพเราควรทำตนอย่างไร น, นี่บอกการสถานที่แห่งนี้คือวัดที่เราจะมาฟังธรรมเทศนาเราควรทำตนอย่างไร น, นี่สถานที่บุคคลบุคคลโรรมยุตาในรู้จั ก, จกชุมชนรือบุคคล ควรทํำจนอย่งางไรในเมื่อเข้ามาในจุดนี้ล้วนแล้วแต่ท่านให้ใช้ปัญญาทั้งนั้นแหละไปนสถานที่ใดให้สังเกตถ้าเราไปด้วยไม่สังเกตไปด้วยอารมณ์ทิฏฐิมานะไปด้วยไม่คิดไม่อ่านถึงจะไปนสถานที่ใดในขนาดไหนไปที่ไหนไหๆก็ไม่เกิดทิปิปัญญาทั้งนั้นแหละเพราะนั้นขอให้คณะชาติญาติโยมทุกท่านได้รับทราบตามนี้และก็พร้อมกัน คุณอริษักเขาแจกแจกหนังสือต่ต่อ่อที่ท่านพูดเป็นคำในวัดต่อต่ตนั้นคืออะไรแต่ก่อนที่พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานจะกลับบ้านท่านจะแจกหนังสือทั้งหมดมีห้าร้อยเล่มมั้งแหมที่หลวงพ่อได้พิมพ์แต่ไม่ใช่หลวงพ่อพิมพ์หรอกคือถอดจากเอ็มทีสามของหลวงพ่อแต้ต่ตตคืออะไรคือเตรียมตัวตายนะ เตรียมตัวตายควรเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็พวกเราจะได้อ่านได้ศึกษาในนั้นเขาสรุปออกมาว่าพวกเราต้องคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองคิดไว้เป็นภาษาใจนะไม่ใช่ภาษาคำพูดข้าพเจ้าตกพวกเราท่านทั้งหลายต้องคิดไว้เป็นภาษาใจของตนเองถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดเองไหม แต่ถึงข้าพเจ้าจะรักขนาดไหนจะเปลียนขนาดไหนจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาใช่ไหมนี่แหละคิดไว้เป็นภาษาไก่แต่พวกเราควรจะอ่านดูเข้าไปข้างในนะหลวงพ่อจะแนะนำต่อสังเกต ค, คือภาพชรังเป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวเยอร ม, มันเข้าไปไปไศึกษาแล้วไปกราบหลวงพ่ อ, อท่านจะถามปัญหากับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมขอถามปัญหา แอบกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะพอตอบอธิบายให้ผมได้ไหมหลวงพ่อเอ้ยแต่ท่านคงจะถามปัญหาที่อื่นมาพอแรงแล้วจะมาลองเชิงมาทดลองถามกับผมดอหลอกๆเล่นๆเหรอไม่ได้ครับผมขี้เกียจตอบปัญหาท่านพระฝรั่งองค์นั้นท่านก็บอกว่าท่านมีอายุถึง4ีกปีนะสิ บ, บวทมา10กว่าพรรษาท่านบอกว่าไม่ใช่หลวงพ่อผมถามพวกอื่นผมก็าถามแต่พวกอื่นเขาก็ตอบ แต่ผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะตอบอย่างไรที่ผมจะถามนี่หลวงพ่อเกิดทาเป็นยังไงก็ถามได้ท่านก็เลยถามว่าผมไปหาหมอไปตรวจสุขภาพพอไปตรวจแล้วหมอก็บอกว่าผมเป็นไวรัส4ต่อไปถ้ารักษาตัวไม่ดีตับก็จะแข็งต่อไปก็จะกลายเป็นมะเร็งตับถ้าผมเป็นมะเร็งตับผมก็ต้องไปหาหมอหมอก็ต้องมีทั้งหมอหญิงหมอชาย อาการหนักขึ้นผมจะต้องไปนอนโรงพยาบาลมีทั้งพยาบาลหญิงพยาบาลชายโดยเฉพาอะอย่ามยิ่งโรงพยาบาลจะมีพยาบาลหญิงจะมากกว่าในเมื่อผมอาการหนักขึ้นมากๆผมก็มีสติอยู่แต่ผมยังไม่ตายเนี่ยพยาบาลหญิงก็จะมาเปลื้องผ้าแก้ผ้ากับผมเพื่อเช็ดร่างกายผมจะมีความรู้สึกไงผมว่เาเอ้าจะทํำยังไงผมเป็นพระในความเห็นของท่านอาจารย์จะรักษาขนาดไหนจึงจะ ถูกต้องเหมาะสมรักษาตายในรวงเจ้าพยาบาลหรือว่าออกมาตายข้างนอกจะดีจะดีตามความเห็นของท่านอาจารย์ให้พวกเราอ่านดูนช่วงล่างๆนะหลวงพ่ อ, อ ก, ก็ตอบอยู่ในนั้นปัญหาที่สองเขาบอกว่าถ้าหากว่าผมใจจะขาดผมจะตายใจจะขาดจะกำหนดใจยังไงจะทำใจยังไงจะพิจารณาทำบทไหน จะพิจารณาอะไรจะยึดอะไรเป็นหลักในขณะนั้นในช่วงนั้นจึงจะถูกต้องตามความเห็นของท่านอาจารย์อันนี้ก็คือปัญหาข้อที่สองข้อที่สก็ถามว่าผมอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้รับความสงบ้อมเย็นเป็นฝุกดีแต่ผมคิดว่าถ้าเราเออกไปอยู่ตามลำพังไปภาวนาตามลำพังไม่มีภา ร, ธ ร, ธรัธุระอิทธระอะไรคงจะภาวนาคงจะดี จากนั้นผมก็เข้าเป็นลาครูบาอาจารย์ในเมื่อเข้าไปลาท่า น, นอนุญาตอนุญาตให้ผมก็ไปภาวนาแต่พอภาวนาเข้าที่นี่คนนั้นก็มาหาคนนี้ก็มาหาผมจิตใจไม่มีหลักที่นี่ยผมก็ส่งจิตแล้วส่งใจออกไปข้างนอกมีแต่เรื่องรุ่งเยืงวุ่นวายผนที่ฉุดผมก็เลยอยากจะสึกอยากจะสึกจากการเป็นพระถ้าลักษณะอย่างนี้ท่านอาจารย์จะแก้ไขอ ย, อย่างไรนี่แหละ ถ้ท่านถาม3ปัญหานะแอมเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังว่าหลวงพ่อแก้ปัญหา3ปัญหานี้หลวงพ่อตอบท่านว่าอย่างไรขอให้พวกเราอ่านนะเมื่อได้รับ m อ3มพาได้รับทั้งสือต่อๆเล่มนี้ไปแล้วเล่มที่สองคืออริยสัจสัตว์ทุกออกจากใจเล่มนี้เขาก็ถอดออกมาจาก m อ็สหลวงพ่อเหมือนกันแต่หลวงพ่ออธิบายเรื่องอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมร พวกเราได้ยินเคยได้ยินมททุกสมุทยัยมีโรธมักแต่หลวงพ่อบอกว่าโทษย้อนไปกลับมาถ้าจะให้ถูกนั่นคือสมุทยัยทุกมักมีโรธจึงจะถูกนะหลวงพ่อว่านะสมุทยัยทุกมักมีโรธเหมือนกับว่าสมุทัยเหตุให้ทุกเกิดคื อ, อการมัตันหาเพราะาตันหาวิเพราะาตันหานี่คือเป็นเหตุที่ทุกเกิดเมื่อมี สมุทัยแล้วทุกก็เกิดเมื่อทุกก็เกิดแต่ใช้มักวิธีการแก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วเกิดคือนีโรดคือความดับทุกจะเกิดขึ้นในเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาอ่านดูนะว่าหลวงพ่ออธิบายอย่างไรในหนังสือเล่ม น, นี้อริยสัจสรัตทุกข์ อ, อกจัตใจทุกสมุทัยนีโรดมกักหลวงพ่อบอกว่าสมุทยัยทุกมักนีโรดเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษา เอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเริ่มแสดงธรรมแล้วก็งานนี้คุณอาริศพร้อมกับคุณแม่น้องๆทั้งหลายไ ด, ด้จัดงานหลวงพ่อมาร่วมงานอสองสามวันรู้สึกว่าญาติพี่น้องของผู้ที่รักเคารพนับถือของ เ, อเจ๋งเนี่ยคุณอดริศเนี์รู้สึกว่ากว้างขวางกว้างขวาง ในขราชการผู้ใหญ่หลายท่านในที่ลุงพ่อได้เห็นก็รู้สึกว่าภูมิใจกับนามสกุลแต้สุวรรณนะ เ, เพราะว่า เ, เกียดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลายให้ให้ได้มาร่วม ง, งานกับคุณพ่อชูศักดิ์และแต้สุวรรณที่ท่านบรรณาภาพลงไปนี้ลงในี้ามจยิงหลวงพออ่ออริศักดิ์นี่ ท่านเกิดที่จังหวัดนครพนมนะในจังหวัดนครพนมหลวงพ่อเองสมัยก่อนก็เมื่อหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อเกิดนครพนมเหมือนกันนะแต่อยู่ต่างอำเภออำเภอหลวงพ่ออยู่อำเภอสุดท้ายปลายแดนแต่คุณนริศักดิ์หลวงพ่อนริศักดิ์เนี่ยท่านเกิดอยู่ในเมืองนะเมืองนครพนมแต่หลวงพ่ออยู่บ้านนอกนะท่านเกิดเมื่อปี2000พุทธศักราช2481ปีขาน ปีนี้ท่านอายุ71ปี9เดือนเอ8เดือน9วันที่ขร้นั้นจากไปไม่มีวันกลับนะแต่ท่านก็มีลูกมีมีลูกชายคนเดียวมีลูกทั้งหมด7คนคุณพ่อชูชักลูกผู้หญิงมีอยู่6คนนก แล้วผู้หญิงห้าคนผู้ชายหนึ่งคนเป็น6คนนะมีหลานทั้งหมดถึงสิบสี่คนได้กำไรเยอะพอสมควรเนี่ยหลวงพ่อจูจากได้กำไรเยอะเนมีหลานทั้งสิคนมีลูกมีลูก6คน ล, ลูกชายหนึ่งคนคือคุณอดิษักนะแล้วก็มีหลาน14คนคุณพ่อได้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ล, ลูกมะเร็ง ในตอมในน้ำเหลืองอันนี้มะ เ, เร็รงทุกวันนี้รู้สึกว่าเหมือนกับหลวงปูกเพียนกระหลวงปูกเพียนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาท่านบอกว่ามะเร็งมะเร็งเนี่ยถ้ามันเร็งใส่ไข่แล้วไม่ยอมมันมั น, มนไม่ผิดเป้านะแต่ว่ากันนะหลวงปูกเพียนท่านว่านะถ้ามันเร็งใส่ไข่แล้วไม่ไม่ผิดเป้าเน่พราะนั้นให้พวกเราเตรียมเตรียมเอาไว้ถ้ามันเร็งใส่ไข่แล้วก็ระวังให้ดี รวยมากมันจะไม่ผิดเป้าวะงั้นเถอเพราะนั้ น, น, นคุณพ่อชูชักของเรานี่ก็เป็นมะเร็งในต่อม น, น้ำเหลืองท่านก็เด็กอากไปวันนี้กับพวกเราก็จะได้ชาวปนกิจที่ฤฤว่าเอาขึ้นทรงท่านขึ้นเมแววนแบบงั้นเถอะท่านไปต่างประเทศเพราะท่านได้รับปีซ่าแล้วท่านเป็นรับปีซ่าก่อนพวกเราจากนั้นท่านก็จะได้เดินทางต่างประเทศแ้วตอนนี้ไปคุณพ่อจ ะ, อจะแสดงธํา แก่คณะสถ า, า, า ญ, ญาตัวลูกหลานทุกท่านตั้งใจฟังนะถ้าได้ตั้งใจฟังแล้วจะเกิดสติเกิดปัญญาจะรู้แนวความคิดพระพุทธศาสนาสอนอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายเรื่องสิ่ง้าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแนวศีลธรรมของพระพุทธเจา้าถ้าเรานำมาคิดนำมาพิจารณาไตรกองด้วยเห็นลผลแล้วรุนแล้วจะมีคุณค่าเพราะฉะนั้นบรรพชนของประเทศชาติหรือชาติไทยของเราที่ พกทุทธศาสนาเนี่ยหลวงพ่อว่าศาสนาพุทธนี่คือศาสนาปัญญาให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดแต่ไม่ใช่ว่าให้ใช้ความเชื่ออย่างเดียวนะให้ใช้สติปัญญาการกลองไตรตองเหตุและผลศีลห้าของ พ, พทุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรอย่างที่หลวงพ่ อ, อได้กล่าวได้แนะนำส่งแนะนํากอบพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงทําให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง น a โมตัสสะภะคะวัโต arahato สัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวัโต arahato สัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวัโต arahato สัมมาสัมพุทธัสสะอาเชวะกิตจิมาตพังโก a ัญญามรณาสุเวนาทิโนสังฆรเตนะ มหาเสเนณะมัจจุนาทยะธรรมมาสร้างข้าราอัปปมาเนณะสัมปาเดภาตีวันนี้อาตมาภาพจะเป็นองค์แสดงธรรมให้แก่คณะประธานญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาวันนี้นะว่าเป็นวันที่พวกญาติทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายรู้สึกว่า เ, เสียอกเสียใจตั้งแต่คุณพ่อชูศักดิ์ที่ท่านได้มรณภาพลงและพวกลูกหลานทั้งหลายก็ได้ร่วมจิตร่วมจิตร่วมใจกันจัดงานอาบอกกล่าวญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เ, เข้ามาร่วมงานเข้ามาจัดงาน เ, าเพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับการงานเพราะนั้นวันนี้นนนต่อนนี้ไปผมพ่อจะได้กล่าว สังเวยียนิยต ถ, ถาคือคะถาทำพูดเราถึงความสลดสังเวทใจพวกเราที่ได้เกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยแต่ว่าก่อนที่จะถึงหน้านั้นก่อนที่จะถึงมรณะภัยของพวกเราพวกเราควรจะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งท่านทั้งหลายจะต้องคิดไว้ล่วงหน้าเพราะว่าถึงยังไง พยามัตรุราชหรือทหารพยามัตรุราชจะต้องเข้ามาตีกายยนครคือร่างกายของเราไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าว่าพวกเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ไม่ได้คิดเตรียมการเอาไว้พวกเรามีแต่เที่ยวสนุงสนานเพิดเพลินเฮฮาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะถึงวันนั้นแต่พอถึงวันนั้นมาพวกเราจะรวบรวมทรัพสมบัติติดตัวไปได้ยาก ไม่เห็นอไรเพรม่ได้คิดไว้ก่อนเหมือนเราไม่เคยคิดว่าไฟจะไม่บ้านของเราแต่พอไฟไม่บ้านของเราเราจะคิดอย่างไรถ้าว่าคนคิดคิดไว้ว่าถ้าหากว่ามีไฟไม่บ้านเราจะเอาสมบัติของในบ้านของเราชิ้นไหนออกไปก่อนอันไหนที่มีคุณค่าที่สดุดในบ้านของเราถ้าพวกเราได้คิดไว้ล่วงหน้าไว้แล้ว ถ้าเมื่อไฟเข้ามาถึงเราก็ะหยิบเข้าไปกระเป๋าเงินหรือว่าทองคําหรือที่ไหนที่มีคุณค่าออกไปก่อนอันนี้คือคนที่คิดล่วงหน้าไว้ก่อนดีกว่าไม่คิดนี่ก็เหมือนกันเราต้องคิดไว้ก่อนว่าพระนรภยเข้ามาถึงข้าพเจ้าจะทําตัวอย่างไรจะวางแผนยังไงจะทํำยังไงต้องคิดไว้เพราะนั้น พ, พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าอาน n o ์เธอลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระอานานท์กราบทูมิพระพุทธเจ้า ว, ว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่นะคิดถึงความตายวันละร้อยครั้งถ้าหากว่าหายใจไม่เข้าตายหายใจไม่ออกก็ตายแเพราะนั้นท่านจงคิดถึงความตายทุกรมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าทําให้คิดถึงขนาดนั้นแต่พวกเรา พวกเราท่านทั้งหลายคณะสถา ญ, ญาติโยมลูกหลานทั้งหลายมาถึงจุดนี้พวกเราระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งถ้าเราไมค่คิดถึงความตายจะเลยก็เหมือนกับที่หลวงพ่อได้พูดว่าเมื่อไฟไหม้บ้านพวกเราจะนำสมบัติออกอย่างไรถ้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเพอ้อเพ้อพอไฟไหม้บ้านไม่รู้จะเอาอะไรกระโดดไปแบกตุ่มไปบทแบกตุ่มแบกบโอ่งที่มีน้ำหนั ก, นกออกมา พอออกมาแล้วเอามาวางไว้กลางนอกแล้วเออค่าค่าทำไมจึงเอาสมว อ, อ, อกวอกออกมาวะมันได้ประโยชน์อะไรดีวะก็เห็นเลยเพราะตัวเองไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าสมบัติที่มีคุณค่ามากอยู่ในบ้านของเรานั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะรา ญ, ญาติโยมทุกๆท่านนะที่ก่อนที่จะถึงวันจุดจบของชีวิตให้พวกเราคิดไว้ก่อนพวกเราควรจะทําคุณงารความดีอย่างไรี่ แต่ทิ้งยางไงพวกเราท่านทั้งหลายคนนี้ไม่ค้นละ่ะที่หลวงพ่อจะได้กล่าวแนะนําสั่งสอนคณะกทายญาติโยมโลูกหลานทุกหมู่เหล่าก็ว่าก็พกระอง์บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพวกพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะพวกเราท่านทั้งหลายจะมียศถารบรรดาศักดิสูงขนาดไหนจะร่ํารวยขนาดไหนจะมีความสุขขนาดไหน การเลี้ยงร่างกายอี่มนี้มีมันดูแลสุขภาพดีขนาดไหนร่างกายในของเรานจะยังเป็นอื่นอยู่เสมอจะไม่คุ้นไม่เชื่อกับตัวของเราเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงไปเลี้ยงไปที่มันจะหนุ่มขึ้นไปไม่ใช่มันจะแก่ไปเรื่อยๆพอแก่เก็บแล้วก็ตายมีที่ซึ่งจุดของร่างกายเพราะนั้นเราจะเลี้ยงขนาดไหนจึงจะพอเหมาะ เราจะเลี้ยงขนาดไหนร่างกายเนี่เป็นอื่งอยู่เสมออต่อไปภายภาคหน้าหูไม่เคยตึงขก็ตึงตาไม่เคยฝ้าฟางก็ฝ้า ฟ, า, ฟางฟันไม่เคยหลุดก็หลุดอ่เพราะนัน้นหนังของเราไม่เคยเหี่ยวก็เหี่ยวก็ราะอะไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันไหลไปสู่ความฉลาดจากนั้นก็ถึงมรณะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจะทายังไงชีวิตของพวกเราเป็นอยู่อย่างนี้ แต่ถึงยางไงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านได้สอนท่านได้ค้นฟ้าศึกษาอย่างที่ท่านพระอาจารย์ทำพูดเมื่อคืนนี้ท่านเทพเมื่อคืนน่เพราะพระเจ้า ท, ท่านเห็นอย่างไรท่านจึงหนีไปบวชอยู่ในป่าหลวงพงไพพระพุทธองค์เห็นคนแก่จากนั้นก็เห็นคนเจ็บจากนั้นก็เห็นคนตายจากนั้นก็เห็นสมณะเห็นสมณะคือนักบวชเมื่อเดินออกไปเพื่อจะไปชมสวนอุทยานไปเห็นคนแก่ เดินผ่านอันนี้คือใครทําไมไม่ไปป ก, ปกติเหมือนคนทั่วไปอันนี้ไปต่อมาไปเห็นคนเจ็บชักดิ้นชักงออีกเอา้าทําไมอันนั้นเป็นอะไรคนเก็บจากนั้นก็เห็นคนตายจากนั้นก็เห็นสมณะในเมื่อเห็นสมณะท่านบอกเออถ้าหากว่าเราอยู่ในเบียงวังมีกิจธุระภาระมากจะต้องทาหน้าที่าการงานบริหารประเทศชาติของเราเราจงคงไม่มีโอกาสที่จะคิด หาช่องทางไปหาวิธีการจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายคงไม่มีทางเพราะฉะนั้นเราควรจะหนีออกไปบวชอย่างสมณะองค์นี้ที่นั่นที่ท่านนั่งยืนโครนต้นไม้นี่นั่งคัดสมาธิอยู่ตามลําพังนั่งฝ้นคิดไตรตองเหตุลผลด้วยสติปัญญาของท่านอันนี้กำลังจะเป็นหนทางจากนั้นท่านจึงยึดสมณะ อ, องค์ที่นั่งอยู่โครนต้นไม้ท่านจะงได้ออกหนีไปบวช ออกกลางคืนเลยวันเน่หเสด็จออกไปกลางคืนไปเวียนออกจากเวียงวังไปถึงแม่น้าอโนมาณทีจากนั้นท่านก็ได้ตรงผมใส่ชุดนักบวชผ้ากาสาวพัดนุ่งผมด้วยผ้ากาสาวพัดจากนั้นพระองค์ก็ปฏิบัติเหมือนกับนักโทษนักบวชในยุคสมัยนั้นทานอาหารมื้อเดียวจากนั้นท่านพระองค์ก็ได้ค้นคว้าศึกษา วิธีการที่จะทํำยังไงจึงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดจึงจะหนีจากเกิดแก่เก็บตายได้พระองค์บำเพ็ญค้นฟ้าศึกษาอยู่ถึง6ปีเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายในยุคสมัยนี้เขาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแหะเขาค้นควา้ายังไงเขาค้นคว้าวิทยาศาสตร์มีหลายๆอย่างแต่พระพุทองค์ค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตศาสตร์จะทํำยังไงจิตของพระองค์จึงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสา ร, ร พระองค์ก็ได้บำเพ็ญท่ถึงหปีแต่สูตรสําเร็จในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ตัดสู้ในวันนั้นคือวันเดือนหกเพ็ญขอให้พวกเราท่านทั้งหลายแนะน ำ, ำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสูตรสําเร็จในวันนั้นท่านทําอย่างไร น, นี่ลุงพ่อขอแนะนําคณะกฐายาดโยมลูกหลานว่าพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพ็ญ น, นั้นท่านทําอย่างไรวันสูตรสําเร็จนั้นแต่ท่าน ทดสอบทดลองเป็นเวลาหปีนั้นเราไม่ต้องพูดเพราะว่าเป็นการทดสอบเป็นการทดลองเป็นการค้นคว้าศึกษาในหลักวิชาการของพระพุทธเจ้าแต่วันสุดสาเร็จนั้นก็ พ, พุทธองค์ท่านก็บอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านเขียนลงในแผนที่คือพระไตรปิฎกให้แก่พวกเราได้ศึกษาเลยว่าในวันเทมเดือน6กเทม น, นั้นในวันนั้นในโศธิยะ ได้นํำยาคาผ่านมาแล้วก็ได้ถวายยาคาท่านแปดกำมือจากนั้นพระองค์ก็ได้รับยาคาจากนายโสตยะได้นํามาเกลี่ยลงที่โคนต้นโพ ท, ที่พุทธคยาเนะี่ยจากนั้นก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกขึ้นไปนั่งบนยาคาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี้แหละคือพ ร, พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญในวันเดือนหกเพนนนั้นจากนั้นพระองค์ก็จิตใจรู้ ว, ว่าผู้รู้ของพระองค์ใจรวมเข้าสู่ควาสมสงบเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณรัตนะเกิดฌานเพราะเกิดฌานแล้วพระองค์คละลึกชาติผลหลังได้เจะว่าปุพเพเน ว, วาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้ พวกเราท่านทั้งหลายทุกบริษัททั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรพระพุทธองค์ได้พิสูจน์ดูแล้วอุเเพนิวารสารุสติยานารืชชาติผลหลังได้ถ้าตายแล้วสูญพระพุทธองค์จะรึกชาติผลหลังได้อย่างไรนี่พระุองค์รึกชาติผลหลังได้เพราะว่าตายแล้วไม่สูญนี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้จุดนี้ จากนั้นปนตตุตุตูปะปะตาตยานการปฏิของสัรพะสัตว์ทั้งหลายการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนอันนี้พระองค์ก็รู้จากวิถีทางเดินของจิญญาณวิถีทางเดินของกิจมาเกิดที่นี่เพราะอะไรท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำถ้าพวกเราทำกรรมดีมาเกิดที่นี่ก็จะเป็นคนดีร่ํารวยมีความสุข แต่ถ้าว่าผู้ใดทํากรรมชั่วเกิดมาพบนี้ชาตินี้กูหูดวกตาบอดบ้าใวเสียเสียจิตอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นด่า ด, ดื่นไปหมดเพราะเหตุอะไรเพราะกรรมชั่วพามาเกิดแต่ถ้าทากรรมดีมาพามาเกิดมาเกิดซึ่อมาเกิดแล้วก็มาเกิดในสกุลที่ดีมีความสุขมีสติมีปัญญาเพราะฉนั้นผมผูใ้ใดเจ้ากันว่ากรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นอย่าทํากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลเป็นภพกรรมดี ให้ผลเป็นสุขถ้าเราเปรียบเทียบในยุคนี้สมัยนี้ถ้าผู้ใดก็ตามไปพ้นไปฆ่าไปพดไปโกงไปขโมยเาทาทํากรรมชั่วจากนั้นเขาจะจับเข้าคุกเข้าตารางเพราะเหตุไรก็ทํากรรมชั่วแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามทําแต่คุณาความดีไปนักสถานที่ใดก็มีเป็นผียกจ้องเชิดชูบูชาของคนทั้งหลายนี่แหละ พระพุทธองค์ท่านจึงตัดไว้ในโอวาทปาติโมว่าอากตังลุ ก, กตงังเสยโยปัตชาตกปติทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะให้ผลให้เป็นทุกข์เผาผ่านเราเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้คณะทายาทโยมอย่าทำกรรมที่มันไม่ดีทำแต่กรรมดีถ้าทํากรรมดีแล้วพวกเราจะไปสู่ความสุขความเจริญทั้ง ทั้งโลกนี้และโลกหน้ากุญญานิปัโลกะสมิงปฏิขาโหติปานิหนังกุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตข้างหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมคุญงางความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วพวกเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้ายาหวังเลยมีความสุขมีแต่ความพุก เ, เพอเพอเพ อ, อาจจะตกต่ําก็ได้เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ เพระเจ้าท่านแนะนำท่านสอนวาสุวาสิการในครั้งพุทธกาลท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ก็ชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าอัจเชวะกิตจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวนาอีโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัตุนา กิจที่ควรทำให้รีบทำเสียในวันนี้พระพุทธองค์บอกว่าอย่างนั้นนะถ้าพวกท่านทั้งหลายอย่าจาง้งมีความประมาทถ้ากิจไหนที่เป็นกิจที่ควรทาให้ควรทำในวันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้แต่ใครๆบอกใครไม่มีใครรู้ว่าข้าพเจ้าจะตายในวันทุนี้บางทีรถอาจจะชนตายนอนหลับตาย มีตั้งเยอะแยะเพราะนั้นสิ่งไหนที่พวกเราควรจะทําอย่าผัดวันประกันพรุ่งให้รีบทําคุณงามความดีถ้ามีคุณงามความดีในจิตใจแล้วพวกเราจะมีจความสงบร่มเย็นเป็นสุกขไม่มีใครที่จะพัดฝอนพยายามมัจจุราใจว่าเ อ, อข้าพเจ้าทํางานยังไม่สําเร็จข้าพเจ้ายังมีมลูกมีหลานยังเล็กอยู่ข้าพเจ้าขอชีวิตเรวยด้วไว้ด้วยเถิน พัดผ่อนพญามัตรุราชไม่ได้เมื่อมาพยามัตรุราชเข้ามาถึงแล้วท่านก็เนี่ยแหละแค่ไม่ปลาณีแกผู้ใดใครทั้งหมดไม่ว่าพระวสงุงหลวงพ่อเทศอยู่เดี่ยวนี้ก็เถอดนะหลวงพ่อจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยกลัวที่สุดก็คือมรณะภัยคือความตายเพราะฉะนั้นหลวงพ่ อ, อจริง มอบกายถวายชีวิตไว้เนี่ยพระพุทธศาสนาสั่งสมแต่คุณงามความดีสิ่งไหนที่มันจะช่วยช้าเสียหายจะไม่ทําสิ่งนั้นเพราะนั้นคณะกฐายาิโยมพวกหมู่พวกเหล่าก็ฟงเพราอยากจะให้เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วพระพุทธองค์ได้สั่งเสียพวกเราว่าขยาวยะธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติขยาวยธรรมมาสร้างฆาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เ, เกิดแก่แล้วก็เจ็บตายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอย่างคุณโยมชูศักดิ์แต้สุวรรณเนี่ยนะท่านเกิดมาแล้วก็นี่แหละสังขารไม่เที่ยงอย่างนี้ทํามีลูกปีหลานใครใครมาวันถึงจุดจบจะห้อมล้อมขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะล้างเอาไว้ได้สังขารเป็นของไม่เที่ยงเ อ, อเกิดแล้วก็แ ก, ก่แก่แล้วก็เจ็บตายท่านทัน้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด ประโยชน์ตนก็นคือเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พยายามสั่งสมคุณงามความดีพยายามดูแลพี่น้องเพื่อนสูงถ้าสิ่งไหนพอจะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้พวกเราก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมให้สังคมเรามีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือช่วยเหลือชุมชนส่วนจิตส่วนตัวของเราก็คื อ, อยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็นี่แหละการเ ร, าเรียนการศึกษา ของเราอย่าให้ขาดตกบกพ้องดูแลครอบครัวของเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนี้คือประโยชน์ตน เ, เมื่อประโยชน์ตนพอสมควรแล้วพวกเราก็ดูแลชุมชนสังคมช่วยเหลือชุมชนโรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนถนนหนทางสิ่งไหนที่เกิดที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เรียกว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมหรือความไม่ประมาทถ้าพวกเราทําอย่างนี้ อย่างนี้แล้วพวกเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นจุกทางด้านจิตใจแต่ถ้าพวกเราไม่ได้สนใจอะไรเกิดมาแล้วอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆหาอาหารกินอยู่เป็นวันๆอยังเชิดออกว่าตายแล้วสูญเอกตามไม่จริงไม่สูญนกนะไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตามแนวแถวของพุทธะพวกเราจะาพิสูจน์ด้วยตนเองก็ยังได้เพราะพระองค์ไม่สงวนฤกษ์ริ์ ถ้งว่าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเพราะพระองค์ทําอย่างไรในวันเดือนหกแผ่นนั้นพระพุทธองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วพระองค์รู้ได้ด้วย ด้วยใจของพระองค์ด้วยพระไทยของพระองคอ์ว่าร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งจิตใจกับร่างกายนั้นถ้าจะเปรียบเทียบพระพุทธองค์ท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมตัวรู้ๆนะเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันกันใจกับกายกายกับใจท่านจึงแยกออกวา ร่างกายนี่คือรูปประธรรมส่วนจิตใจนั่คือนมามธรรมนามธรรมอาศัยรูปประธรรมอยู่ในอันเดียวกันข้าว่านมามธรรมออกจากร่างกายนั่นก็อยู่ไม่ได้ตายนักก่อนะนะั่นอ่ะอย่างคุณพ่อสูชักสูชักของพวกเราเนี่ยอันนี้แปลว่าใจออกจากร่างแล้วยังเหลือแต่ร่างกายพวกเราเห็นแต่ร่างเปิดขึ้นในหีบในโรงเดี๋ยวนี้พวกเราก็เห็นเลยแหะร่างกายแต่นมามธรรมคือจิตใจของท่านนั้นออกจากร่างไปแล้ว ในนั้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้ความสนใจนา ม, มาธรรมมากกว่ารูปธรรมนะนา ม, มาธรรมเนี่ยพวกเราก็ต้องแก่เจ็บใจอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็ น, หนแต่ส่วนนา ม, มาธรรมนั้นพระพุทธองค์ท่้นบําเพ็ญแล้วแนะนําสั่งสอนแล้วฝึกฝนแล้วเป็นให้เป็นพระอริยบุคคลพระโสดาพระตกทาคาพระนาคาพระระหัน เป็นพระพุทธเจ้าวได้ถ้าหากว่าพวกเราได้ฝึกฝนทางด้านจิตใจฝึกฝนนานมาธรรมเพราะนั้นหลักของพระพธศาสนาท่านให้ความสนใจเรื่องนานมาธรรมมากกว่ารูปปาทธรรมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านแนะนําอย่างไรแก่บรรดาสิทธญาณสิทธของพระองค์เพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาะะจะเกิดสติปัญญา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 อันนี้นะเราต้องศึกษาเราต้องฟังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทัพพท์องค์พูดเป็นบาลีอีกว่าสุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังเราจะเกิดสติปัญญาขึ้นม า, านั้นไม่มีทางเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาฟังในวันนี้นะ่ะศีลห้ามีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทัพพท์พระเจ้าตายท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญ น, น, นะนี่พวกเราฟังได้ยินอนะไร ได้ยินคาคําสอนของพระเจ้าในหลักพระไตรปิฎกท่านสอนอย่างนั้นแต่ pues ตายแล้วไม่สูญจุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟ <ír vocals. ten Solar ayan> ังจ <annya t> ินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินไข่ควรไข่พบควรสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นเรียว่าจินตามยะกัคือจินตนาการพบควรสิ่งที่ไยินได้ฟังนั้นเกิดติปัญญาเมื่อเราได้ยินได้ฟังไปพบควรอีกครั้งหนึ่ง นี่ว่าจินตามายะปัญญาภาวนามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากทําจิตใจให้สงบจิตใจรวมเป็นหนึ่งอย่างที่พลวง พ, พ่อไเจ้าท่านทําจิตใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งเนี่ยรวมเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดขึ้นนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนของพุทธเจ้านี่คือภาวนามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระพุทธองค์ท่านพิสูจน์อย่างไรตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญพระพุทองค์นั่งขัดสมาธิ อย่างที่ผมพ่อได้กล่าวเพวัะนั้นขอให้คณะสัตยาย่าจมถ้าไม่เชื่ออะไรให้เชื่อตัวเองไปนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโพหายใจเข้าพุทธหายใจออกโพพุทโพพุทโพพุทโธจากนั้นจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเออเมื่อจิตสงบแล้วร่างกายนี่เป็นอันหนึ่งตัวจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่ง เหมือนกับรถกับคนขับรถชัดเจนร่างกายนี่แต่ตายสลายแน่แต่วิญญาณคือใจที่อยู่ในร่างของเราเนี่ชัดเจนเหลือเกินอันนี้ตัวนี้ไม่ตายเนย่ออกจากร่างนี้แล้วก็ไปปฏระทิงศรศรีในภพภูมิต่างๆถ้าว่าเรามีบุญมีกุศลเราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแต่เรามีบาปเราไม่ได้สัง่งเราไม่ได้คิดเออเรามีมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่ปลอยจิตปล่อยใจ ก็ออกจากรั่งนี่แล้วเราก็จะต้องตกต่ําไปเกิดเป็นสัตว์สาราสีช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นจากนั้นก็ไปตกนรกหมกไหมถ้าเราทํากรรมหนักเพราะฉนั้นโอ๊ออะโอ๊์ทวัดกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมพอผ่านให้โทษเมื่อภายหลังคุณควรทําแต่คุณงามความดีเพราะฉะนั้นขอให้คณะทาญาิโยมทุกกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทและวิธีการภาวนาหลวงพ่ออยากจะแนะนํา วิธีการภาวนาให้เห็นชัดเจนคือการภาวนานั้นมีหลายวิธีและเกินอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวว่าการภาวนาหรือกาหนดภาวนานี่มีกรรมฐาน40อย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคือสติสติใท้ๆให้มีสติในการกําหนดนั้นถึงจะกําหนดอะไรก็ให้มีสติในการกําหนดนั้นกรรมฐาน40 แต่หลวงพ่อจะแนะนํากรรมฐานหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาหายใจเข้าตนะ อ, อนหลับนอนนะหลวงพ่อจะเรียงลําดับให้ฟังว่า เ, เราจะนั่งยังไงวิธีการปฏิบัตินี่พวกเราไม่เคยพวกเราจะนั่งยังไงหลวงพ่อขอแนะนำํำถังเด็กอยู่ในบ้านของเรามีห้องพระอย่างนี้มีห้องพระเป็นเอกเทศเเบางทีสองตายายสามีพัญญา เ, เข้าไปกระลาบพระ ก็กราบไหว้พระเสร็จแล้วอลังหังสวาราโตสุกติปันโนฮะแน่ตามที่พวกเราได้เรียนค ง, งจะไม่หนักหาจากนั้นก่อนนโมตัดสะพระครวญโตอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่านับโมนี่คือความแปลและความหมายอะไรข้าเพเจ้าขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหรกันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนัโมจากนั้นก็พุทธทางยึด พ, พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธทางธรรมังสังขงังรูติคติแน่จากนั้นก่อน เป็นภาษาใจพูดเป็นภาษาใจของตอนเองว่าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีถึงจะมากจะน้อยอย่างไรก็ได้ก็ดีถ้าหาว่าเป็นที่เป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าขอน้องกุศลที่เกิดจากการกระทําของข้าพเจ้านั้นให้เป็นภวะวรปะัจจัยส่งถึง คุณพ่อดวงวิญญาณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าทวารท่านทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ทา่ามีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขจริ่ๆขึ้นไปข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสักอื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกท่าก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเนลวลาเราไหวพระจบแล้วเราคิดอย่างนี้ในใจนะ ค, คือแปลคือแผ่เมตตาอยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขนะแต่ถ้าพวกเราไปเบียดเบียนไปดา่าไปว่าเขาไปทุบไปตีเขาเน่ยเขาจะมีความสุขได้อย่างไรเขามาทําให้แกเราเป็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในใจของเราก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราคิดอย่างนั้นซะก่อนคิดออกมาจากใจจริงๆนะ จากนั่งก่อนนั่งสมาธินะนะนั่งเรียนกันก็ได้สองตายายนะหรือจะนั่งเข้าอี้ก็ได้นะหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําให้นั่งขัดสมาธิในเมื่อนั่งเสร็จเรยียบร้อยแล้วขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกนะอันนี้คือวิธีการนะวิธีการนั่งสมาธิรับปนมมือขึ้นระหว่างอกจากนั่งก่อนเอไอไหว้ครูซะก่อนไหวค้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เราเทรทีกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพโททุทธโธธรรมโมสังโฆพโททุทโธธรรมโมสังโฆสาจบจากนั้นค่อยเอามือลงในเมื่อเอามือลงนั่งเอามือลงก็คือมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราเอาบริกรรมขึ้นมาว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา ถ้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขคือบริกรรมอย่างนี้ไปสักสองสามสามสี่ห้าเที่ยวจากนั้นก็กาหนดลมหายใจเข้าหายจอกแต่ถ้าว่าจิตใจของเราเมื่อภาวนาไปแล้วจิตใจมันวอกแวกคิดไปโน่นคิดไปนี้คิดไปห น, น้าไม่รู้คิดไปทางไหนต่อทั้งไหนให้พวกเราเอากรรมฐานนี้ทดลองดูสิเป็นกรรมฐานทดลองดูหายใจเข้า ให้พวกเรานับเป็นตัวแรกไปถทีนี้หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับ4ี่หายใจเข้านับหหายใจออกให้นับให้ถึงร้อยถ้าเราไม่เผลอนับกับมานับนับหนึ่งไหมเอกหนึ่งสองถึงร้อนับไหม่อกหนึ่งถึงร้อถ้าเราไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีมีสติดี ถ้านับถึงร้อยนไม่เผลอแล้วผมว่าดีมันเผลอมันจะเผลอยังไงครับหลวงพ่อคือมันเผลอก็คือเวลาหายใจเข้าเป็นเลขที่ใช่ไหมเป็นเลขหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่คือเลขสองหายใจเข้าเป็นเลขที่เลข3หายใจออกเป็นเลขคู่เลขสนับไปถ้าว่ามันจะมันจะหลุดออกไปมันจะเบอเบอร์ก่อนนะเบอเบอร์ก่อนแล้วหายใจเข้ามันจะเป็น12หายใจออกมันจะเป็น13น่ะ หาจะ เ, เข้าเป็นเลขคู่เลยถึงหาจะออกเป็นเลขคี่แสดงว่าเราเผลอเราเผลอก็เอา้ากลับมาใหม่มานับหนึ่งใหม่แต่ถ้าว่าเราเผลอบ่อยๆ เ, เราเผลอบ่อยแสดงว่าสติตของเราย่ำแย่แล้วจะกําหนดเอาสติตให้เข้มแข็งถึงขนาดไห น, นมันก็ยังหลุดไปอยู่แสดงว่าใจของเราเนี่ยมันเบลอแล้วแต่ต่อไปภายภาคหน้าไม่นา่าไว้ใจเลยทีนี้เรา ต, ต้องคิดเลยว่าข้าพเจ้าไม่นา่าไว้ใจข้าพเจ้าเสียแล้ว อย่างนี้ถ้าเบอร์เผลอม า, มากกว่านี้เราเป็นบ้าแน่แน่สติของเราควบคุมไม่อยู่แล้วเนี่ยขนาดเพียงแต่ว่าเรากําหนดให้นับถึงร้อยเพียงหนึ่งนาทีเราก็ยังเผลอไม่รู้ว่ากี่ครั้งเพราะนั้นเราต้องพยายามพยายามนั่งถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองแล้ไม่เป็นบ้าพูดอย่างนั้นได้ถ้าคนขาดสติมากๆแล้วมีโอกาสนะคณะกรรมกาญาติโยมนะมีโอกาสที่จะเป็นบ้าได้ไ ง, ง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะคนขาดสติ คนขายที่ดีคือคนบ้านเองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องฝึกสติให้อยู่กับตัวเองหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสนับถึงร้อยให้พวกเราสังเกตดูนะพวกเราท่านทั้งหลายทําอย่างนี้ได้หลวงพ่อว่านี่แหละคือแนวทางแนวทางครั้งแรกในการประพฤติปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นต่อไปขั้นต่อไปจะต่อยศึกษาเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบรอบพิจารณาอะไรเดินวิปัสสนาอย่างไร อันนั้นค่อยศึกษาเพราะวิชาทางโลกและวิชาทางธรรมวิชาทุกแขนงในโลกนี้มีมากมายหลายอย่างแต่วิชาของพุทธศาสนาเลือกเป็นวิชาธรรมะเป็นวิชาจิตวิญญาณเป็นวิชาทีเ่เรื่องศึกษาเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นสุขมโนกุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจ วันนั้นหลักของพุทธศาสนาสอนเรื่องของใจท่านยกประเด็นหลักคือใจถ้าว่าใจคนใดก็ดีใจของเขามีศีลธรรมมีจริยธรรมใจได้รับการอบรมเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแล้วการกระทําออกไปก็ไม่ทําออกลูกนอกลู่นอกทางการพูดออกไปก็จะไม่พูดออกนอกนอกลู่นอกทางจะไม่พูดด่าคนนั้นด่าคนนี้เออเปลี่ยนเบีย น, ย น, ค, น, น, นคนนั้นคนนี้ก็เหตุเพราะใจได้รับการอบรม ร่างกายของเราเหมือนกันถ yeah. ้าว่าเราใจพวกเราเป็นธรรมแล้วร่างกายพองเราก็ใช้เป็นทางที่ถูกต้องไปวัดไปวาไปช่วยการงานแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการอบรมทางใจปล่อยกายออกไปก็นี่แหละมีตะหมัดมีตะมวยมีตะชกมีตะกินเหล้าเมายาไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ได้รับการอบรมถ้าใจพวกเราได้รับการอบรมแล้ว ว่ากายของเราก็ดีว่าใจาของเราก็ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกตรงจรึงว่ามโนกุกพังธรรมาธรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ เ, เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้สแสดงธรรมเทศนายกเป็นพุทธวิชิตว่าอชเชวักกิจจะมาตัปังโกงงจัญญามรณาสุเอะนาหินะโอสังครันเตนะมหาเสเีนะมัจจุนา ขยาวยธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนสังปาเดทาติว่ากิตที่ควรทำเราควรทำให้เรียบทำตั้งแต่บัดนี้อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง อ, อันนี้พูดอย่างรวบรัดพอหลวงปอเดศอธิบายให้ฟังแล้วแล้วว่าตรงร่างกายสังขาเป็นของไม่เที่ยงอย่างผมพ่ อ, อคุณโยมชูศักนี่นท่านได้รับฟีซ่ามาก่อนอท่านก็ได้ รับเมื่อรับวีซ่ามาแล้วท่านก็ไปจากพวกเราอีกไม่นานพวกเราก็จะส่งขึ้นเครื่องแล้วกันเนี่ ย, ยส่งขึ้นเครื่องไปต่างประเทศแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องไปขึ้นเครื่องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้พวกเราท่านทั้งหลายนั่ง <im itated> อยู่ด้วยกันเองมิตรรอวีซ่ากันอยู่นะร อ, อวีซ่ากันอยู่ไม่รู้ว่าวีซ่าตัวนั้นจะตกมาวันไหนล่ะเมื่อเราได้รับวีซ่าแล้วพวกเราก็จะไปขึ้นเครื่องอไปต่างประเทศแล้วไม่มีวันกลับก่อนที่พวกเราจะขึ้นเครื่อง ไปต่างประเทศนั้นพวกเรามีสมบัติติดกระเป๋าหรือยังอันนี้สอข้อสําคัญเรามีมีคุณในกระเป๋าของเราหรือยังมีเงินคําทรัพย์สมบัติหรือยังบัตร ATM เราเป็นรูดที่ไหนได้บ้างอย่างนี้แหละพวกเราได้เตรียมไว้เลยอย่างถ้าพวกเรามีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่การพนุพนังกินเหล้าเมายาสุรานาลีภาชีกิฬาบัตรเราไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเราเนี่ย วีซามาถึงแล้วเราจะน่าดำคําเพียรกันถึงไปประโลภภัยภาคหน้านั้นเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจฉะนั้นขอให้วกเราเค็ดเอาไว้นะตายแล้วไม่สูญ น, นะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวบนตัหวหลวงพรอพุทธเจ้าไปที่สูุ่โขแล้วที่โถนพโพนั่นท่านนั่งสมาธิยู่แล้วพระองค์บอกภเก็นี่ยสารจิตญาณละลึกชาติผลหลังแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกวิ ญ, ญญาณออกจากร่างเนี่ย แล้วก็ไปประเกิดปฏิสทธิในภพปุตต่างๆได้ถ้าผู้ใดทํากรรมดีทําสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะพาไปสู่สุขติถ้าว่าผู้ใดทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาไปทุกขตินะขนั้นนะพวกเราให้ทําแต่ความดีอย่าทําความชั่วเพราะกรรมชั่วนั้นจะให้ผลไม่ดีเมื่อภายหลังถ้าพวกเราทํากรรมดีกรรมดีจะส่งผลเมื่อภายหลังเช่นเดียวกัน เพราะนั้นวันนี้การพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสงผลกับการเวลาวันนี้หลวขพ่อได้พูดเกี่ยวกับการเกิดการตายจากนั้นหลวงพ่อก็ได้บรรยายความเป็นมาของคุณโยมชูศักดิ์แต่สุวรรณแล้วก็ให้พวกเราทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้คิดถึงความตายเอาไว้ถ้าว่าพวกเราไม่คิดเอาไว้เลยเนะ่เมื่อมรณะภัยเข้ามาถึง เราจะเอาอย่างไงเหมือนกับไฟไม่บ้านถ้าไฟไม่บ้านพวกเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ได้คิดวางแผนไว้ก่อนพวกเราจะเพ้อเผลอจะเป็นแบบตุ๋นน้าออกมานะเพราะเห็ุไรเพราะเราไม่ได้คิดไว้ก่อนมันเบร์มันเผลอไปหมดว่างั้นแต่ถ้าพวกเราได้คิดไว้ก่อนพวกเราจะวิ่งเข้าไปเอาสมบัติที่มีคุณค่าออกมาก่อนนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเรามรณะไปมาถึงพวกเราควรระลึกถึงบุญกุศลที่ท้าวปเจ้า ได้สั่งสมคุณงามความดีไว้ในอดีตนะจากนั้นก็พวกเราระจะประสบจากความสุขความเบี่ยนใจแล้วหลวงพ่อได้พูดแนะนำวิธีการประพฤติปฏิบัติอันดับแรกก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายสองตายายเข้าไปในห้องพระจักนั้นก็ไหว้พระอรหังสวาสดรโตสุปฏิปนโหนนโมนตัสสะพททุทธังคำบางสารัางจากนั้นก็นั่งสมาธินะ นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทธโธพุทธโธถ้าว่าจิตใจของเรามันไม่อยู่จิตใจบุ้งคุ้งสั้นทดลองนับดูอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนับ 1- ถึงร้อเอ้มันจะเผลอมันเบอร์ยังไงเอ้มันเบอร์ก็คือมันเบอร์ออกไปมันผิดเอ้มันผิดจังหวะเวลาหายใจเข้ามันเป็นเลขขี่หายใจออกมันเป็นเลขคู่แต่ถ้าเราเบอร์เนี่ยมันหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่สังเกตได้ง่ายๆวิธีการออกปฏิบัติ แต่ถ้ามันเผลอมากหลวงพ่อนบอกกล่าวได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจในตัวเองพร้อมที่จะเสียสูญได้ไง่ายๆแต่ถ้าออกโกกเราสติของเราดีแล้วรับประกันได้ว่าคนนั้นจะไปในทางที่ดีอยู่เมื่อเท่าแก่ชราร่างกายของเราเท่าแก่ชราใจของเราก็จะมีความสุขความสบายใจการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระีรัตะนตรายพราพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิงห์สัตติทั้งหลายคุ้มครองขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสุสักแต่สุวรรณสิงห์สักติอยู่ณชินใดขอขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากครอบครัวของอของท่านและก็คณะสงฆ์ที่มาร่วมในงานเพราะว่าคุณสุสักนี่เคยไป ทําโรงอาหารกับหลวงพ่อนะทั้งแม่บ้านทั้งลูกทั้งหลานของท่านมาทําโรงทานช่วยวัดหลายๆแห่งในทางภาคอีสานด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นขอให้ส่งดวงวิ ญ, ญญาณของคุณพ่อสุสักไปสู่สัมภาระเยี่ยมพบทั้งตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขและขอให้มีความสุขยิ่งยิขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ได้ทําไว้ดีแล้วนัาน และก็ขอให้พวกเราท่านข้ลาจังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาระปานาสิ่งใดยึนให้กรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปานาทุกประการเทิน